ดีกายอยากจะถามอะไรมไหมฮะเป็นไงมาภาวนาดีไหมนอนไม่ไหลับคบ่ะอ๋อนอนไม่หลับก็ดีสิจะได้ภาวนาเยอะๆเลือนอนไม่หลับเพราะทุ้งท่านเออก็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 พวกที่เขาถือเนสัตชีกกันเพราเขาไม่อยากจะนอนกันถือสามมวดียาบทเดินยืนกันั่งไม่นอนเพราะกลัวเวลานอนจะนอนมากไปจะเสียเวลาอันนี้หมายถึงพวกที่เขาเป็นมืออาชีพนักปฏิบัติมืออาชีพคือเขาไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วเรื่องราบยศสารเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกร่างกายนี้ เขาไม่สนแล้วเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะมาอาดับความทุกข์ใจของเขาได้สิ่งที่เขาต้องการคือความสงบความหลุดพ้นจากความทุกข์ใจและเขารู้ว่าการปฏิบัติต้องเป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทาแบบวันพระมาทํากันครั้งหนึ่งอันนี้เป็นงานของมืออาชีพคือทํำตั้งแต่ตื่นจนหลับ อย่าง้หลับก็ต้องให้มันน้อยที่สุดเพราะถ้าว่าไม่ไม่ทาอย่างนั้นกิเลสมันก็จะออกไปช่องนอนนอนนอนมากมันจะไม่อยากปฏิบัติก็ต้องมีมาตรการแก้เรื่องนอนกันหลายวิธีในสัจชิกร์นี่ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คืออดข้าวกันอดอาหารกันหรือผ่อนอาหารกินให้มันน้อย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 เหมือนเวลานักบวยขึ้นเวทีเนี้มีกลองเทียกันซ้ายขวาซ้ายขวาคนที่ยังต้องต้องต่อยนี่ก็คื อ, อเรานี่แหละเราที่อยู่บนเวทีถ้าเราไม่ต่อยก็โดนเขาต่อยเพราะข้าสึก ข, ของเรานี่เขาต่อยเราตลอดเวลาใจของเรานี่ถูกอวิชาครอบงำในท่านแสดงไว้เลยว่าอาวิชาปัจยาสังขาราอาวิชาเป็นตัว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 เวลาใดไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็ดิ้นทรมานใจแต่คนที่ไม่ติดยาก็ไม่เดือดร้อนชั้นใดคนที่ไม่ต้องไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีภาพประยนตร์ให้ดูไม่ต้องมีบันเทิงมาหอรสปพต่างๆให้มาเสพมาสัมพันธส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 ไม่เดือนร้อนเวลาอยู่คนเดียวเวลาไม่มียาเสพติดคือรูปเสียงกลิ่นลดผลาพตัพจุให้เสพนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่คนจลาดทั้งหลายเขาเสพกันพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกเขาเสพความสงบกันเขาจึงไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาตามลำพังไม่คลุกคลีไม่สังคมกับใครไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้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 เวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะถ้าไม่มีเวลานี้เราจะไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นถ้าเราไปติดคุกติดตารางหรือไปต้องเอาเวลาไปทางานอย่างอื่นเฮ่เ็นต้องทามากินถ้ามีครอบครัวเนี่ยคิดดูในเวลาที่จะต้องต้องเสียไปกับการเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเวลาที่จะมาปฏิบัติทำนี้แทบจะไม่มีเลย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 ไม่ขายเดียวมันก็เข็มมันก็หยุดหยุดเดินพรกเด็กๆนี่ไม่เคยเห็นหรือเป่านาฬิกาขายลายนสมัยก่อนไม่มีนะนาฬิกาอัตโนมัติอย่าอย่าพูดถึงนาฬิกาแบบที่ใช่ฐานนี่เลยสมัยก่อนนี่ต้องใช้ใช้ไอ้เข็มไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างตัวนาฬิกาเนี่ยคอยขายลานวันหนึ่งก็ต้องขายหนึ่งครัง้งต่อมาเขาก็มาผลิตนาฬิกาแบบ อ, อัตโนมัติไม่ต้องขาลาน อป็นี่ยต้องคอยใส่มันเวลาใส่แล้วเวลาเราเคลื่อนไหวนาฬิกามันก็จะขาลานไปในตัวเขาเรียกนาฬิกาอัตโนมัติขายล้านแบบอัตโนมัติสติสติก็เหมือนกันสติตอนต้นนี้ก็จะเป็นแบบต้องขายลานคือต้องคอยบังคับต้องคอยสั่งมันให้พุโทโธพุโทโธออย่าไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ หรือให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้ถ้าไม่ใช่พุโทโธก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้นับหนึ่งสองสามก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้เกสาโลมานักขาดันตาตาโจก็ได้คือให้มีอะไรคอยอดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ใจนี้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ใจสักแต่ว่ารู้อย่าคิด แล้วมันวุ่นส่วนใหญ่จะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางหาความสุขทางตาหูจะมวกลิ้นกายนั่งอยู่เฉย เ, เดี่ยก็คิดแล้วจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรดีจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีไม่เคยคิดเลยว่าจะนั่งสมาธิดีไหมถ้าไม่มีสติมันจะไปทางรูปเสียงกลิ่นรสกตมผถ้ามีสติปั้มันก็จะกลับมากระสู่การทำสมาธิได้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 ได้สติแล้วนั่งสมาธิก็จะได้สมาธิได้ความสงบอพอใจสงบแล้วทีนี้กิเลส ก, ก็อ่อนกำลังลงเวลาออกจากสมาธิมามก็สามารถสั่งให้ใจไปคิดทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิกิเลสไม่กำลังมากมันจะไม่ยอมคิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปในทางกิเลสทางตรงกันข้ามกับทางปัญญา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 ถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะได้หดไม่ไ ม, ไม่ไม่บานออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ไม่ออกไปหาสิ่งต่างๆจะหดเข้ามาหดเข้ามาอยู่ในความสงบดีกว่าไม่ต้องพึ่งอะไรเอาความสุขแบบไม่ต้องพึ่งใครดีกว่านี่ในความสุขแบบอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละเกิดจากการเจริญติเกิดจากการนั่งสมาธิ แล้วก็เกิดจากการเจริญปัญญาพอเรามีปัญญาเราก็จะหยุดสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบของเราคือความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่ยความสงบนี้มันจะหายไปแล้วถ้าไปทำตามความอยากมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งจะร้อนขึ้นมายิ่งจะทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาหานี่ก็ทุกข์แล้วเวลาอยากได้อะไรเนี่ยเวลาที่ต้องไปหานี้ใจก็ต้องวุ่นวายแล้ว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 เป่นตอนนี้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็สบายถ้าอยากได้เงินตอนนี้ก็ต้องไปคิดหาวิธีหาเงินกันแล้วจะหาด้วยวิธีไหนดีบางคนก็บอกว่าต้องไปเรียนหนังสือต่อได้ปริญญาอีกใบหนึ่งแล้วจะได้ไปหางานทำได้เงินเึ้นมาบางคนก็ว่าไปขโมยดีกว่ามันง่ายกว่าไปเรียนหนังสือก็ต้องวางแผนไปขโมย มีแต่การออกไปหาความวุ่นวายทั้งนั้นนะความอยากมันไม่ได้ดึงให้เราเข้าหาความสงบหาความสุขกันนั้นต้องเห็นโทษของความอยากทุกครั้งที่มันเกิดความอยากขึ้นมานี้ต้องกําจัดมัน ท, ทันทีอย่าปล่อยให้มันอยากถ้ามันอยากแล้วใจจะร้อนใจจะอยู่ไม่เป็นสุขถ้ารู้ทันว่าทำตามความอยากแล้ว เป็นการเดินเข้าสู่ความทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็สงบใจที่ไม่สงบก็เพราะความอยากเนี่ยใจเรานี่อยากตั้งตลอดเวลาอาวิชชาปัิญาสังขารมันก็สังขาร ก, ก็ปรุงแต่งไปทางความอยากมันจะปรุงไปทางกามาตัาหาภาวะตันห า, า, ว, นหาวิภาวะตันหาทันที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 เหมือนคนสุบบุหรี่พอสูบบุหรีม่มวนนี้หมดปั๊บก็ไปหาบุหรีม่มวนใหม่มาสูบต่อร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบุหรี่ที่เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยเราต้องใช้ร่างกายนี้ให้เราได้เสพลูกเสียงกลิ่นลดผลพทธะพอเสพก็มีความสุขสุขแบบคนสูบบุหรี่สุขแบบคนดื่มสุรายาเมาสุขเดียวๆพอหมดแล้วก็ต้องหาหาไม่ได้ก็ทุก นี่แหละเช่นพอยากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนมันก็ทุกแล้วไปเกิดเป็นเป็ดถ้าไปทําบาปทํากรรมเวลาที่ไปหาความสุขต่างๆไม่รักษาศีลอย่างวันนี้อวันนี้เรารักษาศีลห้าศีลแปดกันเถ้ารักษาศีลแปดได้ อย่างน้อยเวลาไปเกิดใหม่ก็ยังได้ร่างกายของมนุษย์ได้ร่างกายของเทวดาถ้าไม่รักษาศีลนี่เวลาไปเกิดใหม่ต้องไปได้ร่างของเดรัจฉานของเปดของผีของสัตว์นรกนี่มันเป็นผลที่ตามมาจากการทําตามความอยากต่างๆตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นภภรสปวดตาพระในวากามะตันหา ทำความอยากตามภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากได้นี่เรียกว่าภาวะตัณหาทำตามวิภาวะตัณหาอยากไม่ได้อย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้อไม่ได้อลไไม่อยากไม่ได้การสรลเสกไม่ได้การขราหานินทาไม่ได้การดูถูกขัดดูถูกเหยียดหยามลบหลู่ดูหมิน่นไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้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 ก็คือต้องอยู่คนเดียวต้องปริกวิเวกอยู่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้พะอยู่ห่างไกลจากการงานต่างๆพอเวลาทำงานทำการนิจัยจะต้องคิดบุญติ้วอยู่ตลอดเวลาหาเวลาหยุดไม่ได้พุทโธไม่ได้เลยเวลาทางานเห็นต้องลาออกจากงานแล้วหยุดงาน แล้วไปปิกไวเวกไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปฝึกจาราสติพุทโธพุทโธหรืเ อ, อเกสาโลมาผมขนเล็บฟันหรือหนึ่งสองสามหรือสวนมนิทิปิโส อ, อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ, อดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิเลียบทเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนออนั่งก็รู้ว่านั่ง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 เอนีเราเอาสอนมาให้คิดถึงความไม่เที่ยงอความทุกข์ที่จะเกิดตามมาถ้าเราไปทําตามความอยากต่างๆพอมีปัญญามาเตือนใจมันก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ใจก็กลับสู่ความสงบเหมือนเดิมอสู่ความสุขเหมือนเดิมเราไม่ต้องมีอะไรความสุขในใจเรานี่มันรอเราอยู่แล้วเป็นแต่เราหยุดความอยากต่างๆเท่านั้นเอง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 เพราะถ้าเราคิดว่าอยากเราทุกข์เราจะอยากไปทําไมถ้าเราเห็นคำความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษเราก็จะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าใกล้เราก็จะไม่อยาก้ความอยากของเราเนี่ยเป็นเหมือนยาพิษที่พ่นพิษใส่เราตลอดเวลาที่ร้องห่มร้องไห้กั น, ก, ก, ก, น ก, กังวลกังวายกันอวิตกกังวลกันหวาดกลัวกันก็นจะความอยากนั่น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 แทนต้องพยายามเอาใชจเวลาให้กับคุณเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่เติ่งขึ้นมาเอาขั้นตอนนี้เอาสติให้ได้ก่อนอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวได้สติแล้วยังอื่นมันตามมาเองเหมือนกับเรียนหนังสือขั้นตอนนี้ไม่ต้องเอาอะไรเอากอไก่ข้อไข่ให้ได้ก่อนนับหนึ่งสองสามให้ได้กอไก่ขอไข่ให้ได้ แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะสะกดได้สะกดได้แล้วต่อไปก็จะเขียนเรียงความได้อ่านหนังสือได้ถ้าถ้าคิดเลขกระบวกต่อต้นกันหนึ่งสองสามได้ก่อนต่อไปก็บวกลบคูณหารได้ต่อไปก็เอามาคำนวณ อ, อะไรต่างๆได้จะเรียนถึงระดับนิวเคลียร์ฟิสิกส์อะไรก็สามารถทำได้ถ้ามีพื้นฐานของหนึ่งสองสาม งั้นเรามาเริ่มพื้นฐานก่อนเริ่มที่สติก่อนถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิจะจะง่ายจะสงบถ้าไม่มีสตินั่งปัจญามันตายก็ไม่เป็นสมถ้าไม่มีสมาธิจะออกทางปัญญาก็ออกไม่ได้เพราะกิเลสจะไม่ให้ออกกิเลสจะเดึงไปทางทางกิเลสทางอวิชชาให้ไปคิดแต่โอ้ไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็งาม น่ารักน่าดูน่าชมน่าอยากได้ไม่เคยคิดว่ามันน่าชมไปนานาเท่าไหร่แล้วมันให้ความสุขกับเราไปได้นานาเท่าไหร่ของที่เราซื้อมามีกองไว้เต็มบ้านมันให้ความสุขกับเราหรือเปล่าตอนนี้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนี่โอ้โหมีความสุขกับมันเหลือเกินพอมันจำเจมันชินชากับมันแนละ้วความสุขก็หายไปต้องหาของใหม่มาแทนอยู่เลย บางคนก็เปลนหาแฟนใหม่มาแทนอยู่เยลยได้คนแฟนคนนี้อยู่สักพักเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อแล้วก็หาแฟนใหม่หาไปเรื่อยๆดาราฮอลลีวูดนี่แต่งก็อย่าแต่งก็อย่าบางคนเป็นสิบครั้งก็มีนี่เฉพาะแต่งนะครับที่ไม่แต่งอีกไม่รู้สักเท่าไหร่นี่เป็นเพราะทำตามความอยากคิดว่าทาตามความอยากแล้วจะมีความสุข เไม่รู้ว่าเป็นความสุขเดียวเดียวเราต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะมาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหลงไปทำตามความอยากอย่าไปอยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้เพราะของทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันชั่วกราวเวลามีมันก็ดีอยู่เวลามันไม่มีมันก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแล้วข้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปเวลามันจะเปลี่ยนเวลามันจะเสือ่อม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 แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วเราจะได้ออกทางปัญญาได้การมีสมาธินี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมีสมาธิไปจนวันตายปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ดึงใจออกมาพิจารณาตายรักจะให้เกิดปัญญานี้ต้องพิจารณาตายรักมองอะไรต้องมองให้เห็นตายรักถ้าเห็นตายรักแล้วมันก็จะหววางได้ เห็นกระเป๋าสวยๆก็ต้องเห็นว่ามันเป็นไต่รักเห็นรถสวยๆงามๆก็ต้องเห็นว่าเป็นไต่รักเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาก็ต้องเห็นว่ามันเป็นไต่รักอย่าไปเอามันอย่าไปอยากได้อถ้าจําเป็นจะต้องซื้ออะไรก็ซื้อไปตามความจําเป็นถ้าไม่ได้ซื้อตามความอยากก็ไม่เป็นปัญหานี่คือเรื่องของการปฏิบัติ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 แลวพอเรามีกําลังที่จะออกทางปัญญาได้ก็พิจารณาอความกิงเขาสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขะอนัตตา้าร่างกายของคนก็พิจารณาว่าไม่สวยไม่งามในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศพไปขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าดูถ้าพาออกมาดูใต้ผิวหนังถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นแต่โครงกระดูก เห็นอวัยวะนวอยใหญ่หัวใจตับปอดำอลำกระเพาะลำไส้เยื่อสมองศีรษะน้ำต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่มีแต่ของที่ไม่น่าดูอยู่ในร่างกายนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนยังอุตสาห์มาประกวดความงามกันประกวดแต่ที่ผิวนันงึงประกวดภายนอก พราอไม่ได้มองเข้าไปข้างในถ้ามองเข้าไปข้างในนะก็จะไม่ต้องมาประกวกันให้เสียเวลาเพราะข้างในเหมือนกันหมดทุกคนหัวใจก็มีเหมือนกันบอดก็มีเหมือนกันรูปร่างลักษณะเหมือนกันหมดกระเพาะลำไส้เหมือนกันไปประกวดอะไรกันมีเพราะความหลงเพราะการไม่มีปัญญานั่นเองไม่พิจารณาสุภาษิต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 พอ เ, เปิดออกมาดูถึงจะรู้ว่าโอ้มันไม่น่าดูเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามมองให้เห็นทั่วใจอย่ได้ไม่มีความหลงที่จะไปรยากได้ร่างกายของใครมาเป็นสมบัติได้มาแล้วก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับเขาเพราะเขาไม่แน่นอนใหม่ๆก็รักกันดีพอยอยู่กันไปนานๆาเดี๋ยวก็ความรักก็ค่อยจางไปความเบื่อหน่ายก็จะเข้ามาแทนที่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 นี่แนะคือเรื่องของปัญญาสิ่งหลงนี้จะไม่เกิดขึ้นเองถ้าเราไม่ยกขึ้นมาพิจารณาเราต้องยกขึ้นมาพิจารณาถึงจะเกิดเป็นปัญญาได้ถ้ายกขึ้นมาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมันมีกำลังมากมันจะไม่ให้เราคิดไปในทางปัญญามันจะให้เราคิดไปในทางสวยงามเห็นคนนั้นก็สวยคนนี้ก็งามคนนั้นก็หล่หอคนนั้นก็น่ารักมีแต่ เห็นว่าเป็นของดีไปหมดแล้วพอไปเจอของจริงเข้าก็ก็รับไม่ได้เรื่องของปัญญาต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเหมือนยาสลบสบที่จะทำให้ตัดกำลังของกิเลสไม่ให้มาดึงเอาความคิดไปคิดในทางกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาพอไม่ไดึงไปทางนั้นเราก็สามารถดึงมาทางนี้ได้ มาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้พิจารณาอสุภะความไม่สวยงามได้พิจารณาปฏิกูลความสุขบกได้พิจารณาอนัตตาได้พิจารณานิจังได้ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเกิแก่เจ็บตายนี่แหละเรียกว่านิจจ์อนัตตาก็คือห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา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 ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะก็หยุดความอยากได้ไม่อยากจะได้อะไรเพราะจะเห็นว่าเป็นการอยากได้ความทุกข์นั่นเองได้อะไรมาก็ต้องได้ความทุกข์มาขอให้เราพยายามปฏิบัติกันต่อไปสู้ไม่ถอยรแบบาบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าปล่อยให้ความคิดของกิเลสตัณหาหลอกให้เราไปทำอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับการปฏิบททัติธรรม เพราะไม่มีะายที่จะให้ให้ให้ความวิเศษได้เท่ากับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมให้รายกับเราก็ให้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งให้โสดาบันให้สกิรดาคามมให้อนาคามีให้อรหันการทางานอย่างอื่นในโลกนี้ไม่สามารถให้เจงเราได้ดังนั้นก็ขอให้พยายามปฏิบัติไปเรื่อย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 จะไม่มีวันที่จะบรรลุได้ด้วยตนเองก็ต้องรอไปเจอเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นยกเว้นเป็นพระโพธิสัตว์ที่สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองซึ่งยากมากคนที่จะเป็นระดับพระโพธิสัตว์ได้นี้หายากมากนานจะโผล่ขึ้นมาทักครั้งหนึ่งยันอย่าปล่อยเวลาโอกาสอันวิเศษนี้ให้ผ่านไปพยายามตักตวงให้ ตามโบราณที่พูดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้น้ำแห่งพระพุทธศาสน า, ษามีเต็มเต็มฝั่งตักได้สบายต้องการจะตักเท่าไหร่ก็ตักได้ อ, อย่าเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเวลาหมดแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้การสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อ ยะถาวาเลวะหาปุราภิลปุเรนติสาการังเอวเมวะอิตโตินางเปตานัง e อุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังค um ิดเมวะสมิจโตสัะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโจติ so พระโสยะถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรคโคเวนั ส, สตุมาเตภวทวันตราโย ο, สุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาลา คีรัดแ้จะจะเหนื่อยไม่ไดมีแรงเคไม่เกี่วแล้วไม่เกี่ยแล้วะควายวัวมันกินผักกินหญ้าแรงเยอะแยะค่ะขอบคุค่ะ่เกี่ยว้วกินผักกินหญ้าเหมือนกันถ้าผีพันธานครัดสีตรวจไม่ได้แล้วผีพันธ์นี้มันอยู่ที่บูรุษคุณสอนที่ทำา ข้าว่าค่ะเราเห็นบางคนเอ่อสมัยหนุ่มหนุ่เขาก็มีผิวพรรณดีค่ะแล้วพอเขาโตขึ้นจัดขาวมากกลายเป็นดำมากมันเปลี่ยนเป็นมันเป็นเพราะปุณละคะมันก็เป็นเพราะเวลามาทำบาปทากรรมมันก็เปลี่ยนได้ดูคนที่เป็นนายกมีผมขาวอเนี่ย พอกลับไปเป็นคนธรรมดาก็ผมก็ดำกับมาแล้ว <c oughs> เวลาทำยาเคียดหน้าตามันจะข้่าเพ่งไปเวลาเวลาไม่มาบวชนี่หน้าตาจะผ่องใสอะองคนก็เจอหน้าเราทีไรบอกทาไมเห็นเห็นทีไรก็ยิ้มทุกที กินมนะันงสวิรัตาสวยคนเรากินมังสาวิลักันหมดแล้วรมชาติมังจะเพิ่มาหีืสิ่งนี้จะมันจะขาดที่มันเนือท่านอยู่แล้วค่ะแล้วที่เขาเป็นห่วงแล้วกลัวท่านไม่ทานเะื้อสัตว์เลยกลัวจะไม่มีไม่มีเนล้นเป็อ ไม่ไม่เป็นอะไรนะแตมีมีเตียบ้า่ว่ากไม่เยิแล hmm. yeah. so so yeah. um, uh ้ว oh. อ่ะามาไนเปงมากกโหไอมาเกับตียเหรอเยเตียมงสาวเลาแบบไหนแบบเต็มร้อยแล้วว่ามี่ายมีอะไรไมีค่ะมังเขียร์ กินไข่กินนมได้กินไข่เขี่ยได้เขี่ยได้แม่ลำบากเขียลำบากคอเขาดีามีเนื้สัตมันก็มาจากผักอยู่สัตเมันกกินผักกินผักเข้าแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อเราเรากินผักเข้าไปมันก็มากลายเป็นเนื้อเราเลยเนี่ยมันจะเป็นยัไมันก็ผัดกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้ระวีทอดดีแล้วมันก็เหมือนกันและ ทีเขาไม่ฆ่าที่ที่เจนนี่ความจริงบ้าหมายคือไม่ให้ไปฆ่าเพื่อเป็นเอาเพอาเอาเนื้อถั่วมาเป็นอาหารเท่านี้นอถ้าเรากินเนื้อเขาที่เขาตายแล้วนี่ไม่ไม่ต่างกันหกเป็นเป็นผักก็บกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่มีผลแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปฆ่าถั่วแล้วมากินเนี้ยอย่านี้มีผลเพราะเราทําบาปนะเราฆ่า ถ้าหนูถ้าหนูกินนองสายเวลาแต่หนูยังจบยุงตีมอดอยู่มันก็มันก็เสื่ค force, อ, อคนที่กินเนื้อแต่ไม่จบยุงกินคนที่กินเนื้อตายแล้วแต่ไม่ไม่จบยุงไม่ตีมดแต่ไม่ ต, มตีมดมนี้เขาเขาจะดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ทํำผิดศิลนั้นปเดน็นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ศีลไม่ใช่อยู่ที่กินกินอะไรก็ได้แต่สิ่งที้เรากินนี่เราอย่าทําบาปเพราะกิน ถ้ามาเป็นผักกประปขโมยผักเข้ามากินนี่ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมเป้าหมายจริงๆมันไม่ได้อยู่ท um ี่ส in ิ่งที่เรากินเป้าหมายอยู่ที okay ก่การกระทำของเราว่าการที่เราได้สิ่งที่เราจะกินมานีได้มาในแบบไหนถ้าได้มาเพราะข้าเขานี้ไม่ดีได้มาเพราะไปขโมยของเขามางนี้ไม่ดีอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นเดรัจฉานไป เดรัจฉานก็หากินแบบนเนี้เขาขโมลได้เขาเอาเองเขาฆ่าได้เขาว่าฆ่าแต่เราเป็นมนุษย์เรามีความทลาดที่เราจะสามารถหากินได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทําถึกถี่ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราก็ต้องรักษาสี่ห้าให้ได้อย่างวันนี้วันพระเราก็ขมาทางสี่ห้าเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไม่ให้ใจเราตกสั่งไม่ไปเป็นเปรตไปเป็นเดราาัจฉาน อืูามมีคำถามคือหนูเคยหนูได้ยินเคยได้ยินว่าเวลาเราสมาทานสีอ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเราทำผิดข้อหนึ่งอะค่ะสีมันจะขาดไม่เกี่ี้ไม่เกี่ยวเลยไม่มีตัดะไม่มีผล ใช่ไหมมันผิดเข้าไหนมันก็ผิดข้อเนี้ยเหมือนเหมนคุณขับขับรถไปทํ า, ทาผิดกฎหม้ยข้อหนึงคุณผิดร้อยข้อเลยใช่ไมเราจะเอาโทษจากอย่างอี่นได้ไหมไม่ได้ก็ก็จะเอาโทษแต่เฉพาะสิงที่คุณทาผิดเท่ันนั่นเป็นความเข้าใจผิดกาจะหมายความว่ า, าผิดจข้ออะไรข้อไหนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศีลแล้วงนี้ก็พูดอย่างนี้ก็พอจะฟังได้ แนะถ่าเขาไม่มีสีนดงไม่มีสีข้อนั้นแดงแต่ถ้าว่าม่ไม่มีสีสทุกข้อแล้วเปล่านี่ไม่ใชะยังไม่ได้ทําแล้วเมื่อราก็ยังไม่ถือเลยแต่ถ้านเ ข, อขอาแต่ข้อเพราถามว่านี่รักษาสีแดงหรือเปล่ปาลถ้าเราไปผิดข้อหนึ่งล้วก็บอกรักษาไม่ได้แล้วแต่เราไม่ได้รักษาทั้งหมดเราอาจจะพูดว่ารักษาได้สี่ข้อแต่ข้อนี้รักษาไม่ได้นั่นก็เหมือนจะผิดตรงไหนเออ มันเป็นมาเปกัรที่เป็นที่น้องกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยหว่าเป็นครูหรือว่าเป็มครูหรืเป็นครูหรครูหรืครูหรอครูหีือครูหอครูรือครูหรือคอครูหรอครูหรือครืครูหรือคมูหรือครูือครูหรือครูหรือครูหรรูหรือคหรืคคูหรอหอครูครูครรออูหคออูครครูคครู ยังเป็นยังเป็นรุ่นที่ค่ะรุ่นพี่ปี่ค่ะพี่ยังครูยองพลอยู่เค่ะน้องออกไปก่อนแล้วน้องขไปดีกว่าแล้วค่ะยองยังใช้นี่ไม่หมดยอต้องยู่ก่อนนะคะน้องมาีแล้วเนี่ยครูครูวัดทอนนี่เขาออกไปบวชทีได้กี่ปีแห้าปีได้ค่ะหกปีแล้วปีแล้วแล้วเอาปีแล้วแต่ยองยังไม่ได้บวชยองยองจะบวชบวชประมาณสองปีน่นจะสองสปีนคะไม่เกิน เาตื่นปีปีที่แล้วค่ะท่านแม่ทีออกไปปฏิบัติธรรมก่อนไม่ใช่หมคะถ้าบวชองที่ไปอินเดียของปีเห็นไมคนอย่างเขาบวชกันได้ไม่นู้ปัญหาเลยารโดมันจะได้เหรอคะดูน้อยู่ไม่เกวา่าหบ้านใจยอมท่เกียรติยอมที่ศีลเข้าใจรักบุญรักกุศลรับบวชได้ไหมครับยังขออนุญาต หลักบวดอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะยังนัดเที่ยวอยู่ก็บวชไม่ได้ไม่เที่ยวหรอค่ะไม่ได้เที่ยวหรอค่ะเที่ยวดต่น้อยเราอย่าหัวไม่ได้เที่ยวเลยไปวัดเจ้าค่ะน่าจะเที่ยวค่ถ้าไม่เที่ยวก็บวชได้เดี๋ยวลองบวชกับบ้านแบบสุภารพรก่อนเถอะค่ะ ร่างกายหรือร่างกายคอื่นเป็นแค่ตุ๊กตาก็มีใจต่างคนเราไปควบคุมเขาไม่ได้ อ, อร่างกายนี้มันเหมือนหุ่นเหมือนตุ๊กตาที่ที่ควบคุมด้วยใจของเขาและใจของเราของใจของมันเป็นตุ๊กตาของแต่ละคนแต่รถของคนของแต่ละคนเวลาร่างกายตายไปเจ้วของร่างกายไม่ได้ตายไปด้วยออมองว่ามันมองว่ามันเป็นตาหากกับใจหนึ่ง แล้วมองว่ามันไม่เที่ยว่ามันต้องตายต้องนต้องต้องแยกเป็นอาการแยกเป็นธาตุอันนั้นมันแยกมันยากต้องต้องทำอย่างนั้นด้วยนะคะใช่ถ้าเห็นว่าในสมมติมันก็เป็นเพียงน้ำมันไฟได้ก็ยิ่ดีอ่ะขอบคุณมากแล้วมันต้องนําคิดก่อนนะเพื่อศึกษาไปก็เห็นต้องนำคินแล้วก็คิดไปเลยมันงร่างกายตายไปแล้วมันก็มันขั้นต่อไปมันจะกายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นที่เท่า ช่วยทำให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่ร้ายมันเป็นเพียงคิดเที่ยวเป็นเพียงเสื่มกระดิกมาไอ้แค่สองอย่างแรกเนี่ยมันมันยังไม่มันเหมือนกับยังไม่ชับเจนพออ่ะพิจานามันเนีครบรให้มันครบครูปถูกของมันเลยแล้วดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันก็เริ่มมาจากง่ามสองหยดนี่ไงร่างกายเนี่มาจากอะไรง้น แล้วมันจุดเ้ิ่มต้นเป็นน้ำสองหยดจุดสุดท้ายก็เป็นแค่ชิ้นข้าวกระเศษกันเองรู้ไหมิแล้วเราคนระหว่างตรงกลางนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นการสามีสองเจ็บเจ็บตายมันก็เห็นแค่นี้ก็ชั้นแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรอยที่มันไม่เห็นว่าเวลาจิตไม่สงบมันยังติดกันอยู่ไงถ้าสงบมันจะแยกมันจะร่างกายจะหายไปแล้วเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันจะรู้อันนี้คือตัวรู้ รู้ที่สั่งให้ร่างกายทยําอะไรต่าแล้วร่างกายใหายไปตัวรู้ก็ยังอยู่คือถ้าได้สมาธิถึงขนาดนั้นมันจะ<อ>มันจะปล<ด>่อยได้มันจะปล่อยได้มันรู้ว่าเราไม่ได้ตายเราเป็นตัวรู้ร่างกายตายไปก็มันรู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้ถ้าได้สมาธิถึงขั้นว่าร่างกายหายไปได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาถี ง, งมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะค่ะ ถามเลารู้เล่าถามถามกันๆคือบางครั้งเนี่ยฟังเรื่องว่าอัตตาเนี่ยูนุบสับนมากแคือเออบางครั้งฟังดูสัตอัตตามันเหมือนกายที่เราพิจารณาสายโซโอเแต่บางครั้งฟังดูแล้วอัตตาก็เหมือนกับมนอนนี้คาเข้าใจในเรื่องก็ตัวเดียวกันมานะก็ตัวถือตัว ถือตัวก็มันจะต้องถือตัวถือตนรือว่าตัวเองมีตัวตนตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันคิดว่ามันมีเป็นตัวตนความจตัวรู้เงาแฝงตัวรู้ตัวทิดแต่ไม่ได้เป็นตัวตนมันไม่ได้เป็นเราเป็นเขามันไม่ได้มันไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองอาจาตัวรู้มันไม่ต้องมีอะไร มันแค่เป็นตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นพเป็นตัวตนป้ามันจะต้องมีไอของเป็นของมันขึ้นมาทันทีเงินเมื่อกี้นี่เป็นของของของคุณเตอนนี้เป็นของเราเลยคือมัเป็นสองลักษณะใช่ไหมเวลาจะปล่อยมันเนี่ยคิดดูต้องคิดไปกี่กับตลบเนี่ยกว่าจะปล่อยมันได้ก็อยู่ละค่ะใช่ไหมมันก็คิดอยู่หลายตลบอยู่นะของกูของกูอยู่นั่นนะพอตอนนี้ไม่เป็นของกูต้องสบายไหมสบาย หมดไปแล้วมาเป็นตลาดของเราสิ